นี้ก็เป็นวันที่ที่สองเข้ามาต้นจากวันก่อนนก่อนก็ถือว่าเป็นวันเปิดวันที่1ิวันที่12 ว, ว, วันนี้12เดือนกุมภาพันธ์นะะการเจริญสติแบบนี้เราค่อนข้างเป็นอิสระนะที่ไม่ไม่มีการบังคับ แล้วก็ในลักษณะที่เราจะเริญสติเราก็พยายามที่จะรับผิดชอบตัวเองคือพยายามสังเกตนสังเกตตัวเองว่าในแต่ละขณะในความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรตัวนี้จะเป็นตัวชี้บอกถึงความเข้าใจถ้าหากว่า ในการเข้าใจที่เราทำต่อเนื่องมาตลอดเราก็จับความรู้สึกที่มันเป็นไปในกายในในใจซึ่งตลอดเวลาถ้าหากว่าความรู้สึกของเราไม่ได้รับการกำหนดรู้ต่อเนื่งให้มั่นคงจิตของเราก็จะวกแวกวันไหวไปกับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายซึ่ง สิ่งแวดล้อมที่ดึงออกเนี่ยมันมีถึงหกทางทางตาก็จะออกทางหูก็จะออ ก, ท า, ก, ออกทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจออกได้ทุกทางซึ่งถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่ได้รับการกำหนดรู้ ด, ดูอย่างปัจจุบันในชัดเจนแล้วนี่มันก็จ ะ, ะกระเพื่อมเหนะมือนน้ำ ซึ่งถ้าจิตเรากระเพื่อมนิดนึงกลมันจะนิ่งได้ก็อาศัยเวลาปรับนานพอสมควรเพราะฉะนั้นเองในการปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์มันจึงยากตรงนี้แต่ก็ไม่ยากจ น, จนจนเกินจนเหลือวิสัยแบบนั้นเถอะนะไม่ยากจนเหลือวิสยัยแต่ถ้าเรามีความพยายามอย่างต่อนเนื่องในการดึงจิตกลับมา แล้วก็มาเฝ้าดูความรู้สึกความรู้สึกทางกายนี่เปรียบเส ม, มือนบ้านเียเส ม, มือนที่อยู่ซึ่งถ้าหากว่าบ้านที่อยู่นี่ไม่ไม่มั่นคงพอจิตมันก็ยังอยู่ไม่สนิทมากนเัเด็กเหมือนกับเรามีบ้านที่ไม่แข็งแรงบ้านที่ไม่มั่นคงก็ทําให้คนอยู่เนี่ยไม่ค่อยมั่นใจอาจจะมี พายุมีลมมีฝนนะมากระทบกระแทกคนอยู่ก็ชักวันไหวแต่ถ้าหากบ้านหลังนั้นมันมีความมั่นคงความหนักแน่นนะเหมือนเป็นตึกเป็นบ้านที่มั่นคงแมนะ้จะมีพายุมีลมมีฝนมากระทบกระแทกนะคนอยู่ก็รู้สึกปลอดภัยนะคนอยู่ก็ไม่ไม่วันไหวไปกับ เหตุการณ์นั้นดังนั้นเองการสร้างความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเหมือนกับการตอกอการสร้างบ้านให้มั่นคงการตอกหลักตอกเสาเข็มการทําประตูหน้าต่างฝาเรือนมั่นคงก็ทําให้เรารู้สึกมั่นใจนะดันั้นเอง พาเรานั่งฉันข้างนอกก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเตรียมบาตเตรียมอะไรมาฉันไปดังนั้นเองเราก็พยายามที่จะตอกย้ําอยู่เรื่อยๆนะตอกย้ําการเคลื่อนไหวโดยการเหมือนตอกเสาเข็มเนะี่ยดอกลงไปตอกลงไ ป, งไปนะจนกระทั่งมั่นใจว่าเมื่อมีสิ่งมากระทบชักจูงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตของเราก็นิ่งอยู่ เสมอเสมอนะแล้วจะเห็นว่าไอการตรออย้ําให้จิตมันนิ่งอยู่กับปัจจุบันเนี่ยสำหรับคนที่เราปล่อยจิตมาตอดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องพยาพยามแล้วพยายามอีกพยายามแล้วพย า, พ ย, าพยามอีกเจนกระทั่งว่ามันรู้สึกมันคงหรือเหมือนกับเสมือนกับต้นไม้นะฮะต้นไม้ในช่วงที่เราปลูกแรกๆเนี่ยเราก็จะต้องมีการ ปักไม้ดามหรือการล้อมอคอกไม้อะไรมาชนจนกระทั่งมันติดนะใ น, นช่วงมันติดแล้วเราก็ต้องระวังอะไรหลายอย่างเกนะี่ยวกับอุปสรรคปัญหาอะไรจะมาเหยียบมาย่ําแมลงจะกัดหรือลมจะพัดอะไรต่างระวังไปเรื่อยจนกระทั่งต้นไม้ตัวนี้จะเริ่มเติบโตไปอย่างรากลึกไปเรื่อยนะแม้จะมีฝนมีลมมีอะไรมากระทบกระแทกมันก็อยู่ของมันได้ จิตใจก็ก็เป็นขบวนการตามธรรมชาติแบบนั้นซึ่งถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจขบวนการธรรมชาติเราก็ไม่เข้าบเข้าใจขบวนการของจิตที่เรียกวเข้าใจรูปธรรมนามธรรมเข้าใจรูปธรรมคือเข้าใจรูปในส่วนที่เป็นรูปทางภายนอกและภายในคือให้เห็นว่าการพัฒนาการรูปภายนอกอคือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็เหมือนเดียการพัฒนาการ รูปของเราคือกายเนี่ยเพราะนั้นก็เป็น่าสีรูปภายนอกก็เป็น่าสีรูปภายในก็เป็น่าสีแต่รูปภายนอกเนี่ยมันมันไม่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในแง่การเจริญเติบโตแต่รูปภายในยคือกายของเราเนี่ยมันมีส่วนตรงที่ว่าเรามีความรู้สึกที่เป็นเวทนาเป็นจิตเป็นอารมณ์เนี่ยมามาเกี่ยวข้องตลอดเวลา ด้านการที่จะพัฒนารูปคือความรู้สึกที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเราก็ต้องมาเอาจิตนะเอาจิตของเราเนี่ยมาเฝ้าดูตลอดเวลาแต่จิตของเรานี่มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันที่จะจับวางได้หรือเหมือนกับที่เราจะสับคัดเอาแล้วก็ไฟมันก็ไปเลยแล้วก็นิ่งอยู่า ง, งั้นก็ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะจิตของเราเนี่ยมันมีาการ วิวัฒนาการมาหลายหลายภพหลายชาติสืบต่อมาที่แล้วเรามีจิตของเราณวันนี้จิตนี้มันก็เหมือนจิตก็คือจิตบรรพบุรุษของเราที่สังสมสุขสังสมทุกสังสมความดีความชั่วสังสมบุญบาปสังสมนรกสวรรค์มาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันจิตดวงนั้นก็คือจิตดวงเดียวณวันนี้เพราะนั้ น, นเมื่อเราจะจับให้มันนิ่งให้มันอยู่ ตลอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากมันจะต้องมีคลื่นมีกระแสที่หมุนปั่นภายในของมันอยู่เสมอซึ่งแล้วแต่ว่าเราสั่งสมอะไรไว้มากถ้าสั่งสมในส่วนที่ดีไว้มากจิตของเรานี่ก็จะสงบเย็นนิ่งได้ง่ายแต่ถ้าเราสั่งสมในส่วนที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นนรกเป็นความเดือดร้อนไว้มากจิตนี้มันก็จะมีความปั่นปวนในตัวของมันเองนะ เนี่ยหมือนกับน้ำในสระถ้าสระไหนที่น้ำมันมีสัตว์อาศัยอยู่ภายในไม่มากน้ำมันก็จะนิ่งได้ง่ายแต่น้ำสระไหนที่มันมีสัตว์อาศัยภายในมากเป็นปูปลามีกุ้งมีหอยมีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เป็นงูเป็นจระเข้เป็นเตา่าเป็นอะไรต่างๆอาศัยอยู่ภายในมากน้ำมันก็เพิ่มได้ง่าย น้ำมันก็ไม่ค่อยนิ่งชันใดก็ดีในจิตของเราเนี่ยถ้ามันมีอารมณ์เข้ามาแฝงฝังอยู่มากจิตนั้นก็ไม่ค่อยนิ่งไม่สงบได้ง่ายแต่ถอาจิตไหนที่ไม่ค่อยมีอารมณ์ต่างๆเข้ามาแฝงฝังไว้ลึกๆจิตนั้นก็นิ่งได้ง่าย น, น, นี่คือความเป็นไปเป็นมาของของจิตของเราแต่เราก็สืบค้นไม่ได้ว่าบรรพบุตรของเราเนี่ยได้สั่งสมอะไรมาบ้าง เราได้แต่มารับรู้ปัจจุบันว่าจิตแล้วนิ่งง่ายหรือนิ่งยากท่านั้นเองถ้าจิตแล้วนิ่งง่ายก็หมายความว่าบรนพรุทธุคของเราได้สั่งสมสิ่งดีๆมาให้กับจิตดวงนี้ไว้มากแต่ถ้าจิตแล้วนิ่งยากก็หมายความว่าบรนพรุทธุคดของเราได้สั่งสมสิ่งที่ไม่ดีมาไว้มากเหมือนกันมันก็จะแสดงผลออกมาเราเรียกว่าวิบากแล้ววิบากกรรม และนั่นเองด้วยการศึกษาเฝ้าดูจิตอย่างต่อเ น, นื่องเนี่ยเราจะเห็นความเป็นไปเป็นมาทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันแต่ในอดีตนั้นถ้าหากว่ายานปัญญาของเรายังไม่แก่กล้าแล้วก็สืบค้นไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าหากยานปัญญาเราแก่กล้าเราสามารถจะสาวจากปัจจุบันเนี่ยว่าปัจจุบันนี้ผลปรากฏอย่างนี้อดีตมันเป็นอย่างไรแล้วก็สืบค้นไปเรื่อยเรื่อยเราก็จะเห็นรากเงาต้นตอของ จิตว่ามันเป็นมาอย่างไรนะที่เราเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานคือเห็นความเป็นมาของอดีตโดยอาศัยจุตูปปัตยานคือจิต ท, ที่มันกําลังเป็นอยู่ปัจจุบันมันเกิดอย่างไรมันดับอย่างไรแล้วก็สืบค้นไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้แหละในการตัดสิน ข, ของพระพุทธเจ้าท่านอาศัยตรงนี้ได้สืบค้นความเป็นไปเป็นมาของจิตแล้วท่านก็มั่นใจว่าจะทําจิตนี้ให้บริสุทธิ์ได้ ด้วยการลือค้นสิ่งต่างๆที่มันสั่งสมหมักหมมอยู่ในใจมายาวนานหลายภพหลายชาติหลายกลับหลายการที่นับไม่ได้เนี่ยให้มันหมดภายในไม่นานท่านเปรียบเสมือนถ้าที่มันมืดมาหลายแสนปีณนะวันหนึ่งถ้าหากเราเข้าไปในถ้ำ น, นั้นถ้าเราต้องการแสงสว่างเราก็ทําแสงสว่างขึ้น ด้วย อ, อาศัยไฟอาศัยเทียนอาศัยคบเพลิงความมืดนั้นก็จะหายไปทันทีแล้วแต่ความสว่างของไฟถ้าไฟนั้นสว่างมากความมืดก็หายไปมากถ้าไฟสว่างน้อยความมืดก็หายไปน้อยแม้ว่าความมืดที่สั่งสมมาในถ้ำจะเป็นสั่งสมมาหลายหลายแสนปีก็ตามแต่มันสามารถหายไปได้แวบเดียวในเมื่อสิ่งตรงกันข้าม นั้นความมืดจึงไม่ไม่ใช่ตัวตนที่ตายตัวที่ทํำลายไม่ได้เพียงแต่หาสิ่งตรงกันข้ามเข้าไปความมืดนั้นก็สลายได้ทันทีฉันใดก็ดีจิตของเรานี้แม้จะสั่งสมบาปอกุศลมายาวนานหลายพบหลายชาติหลายกับหลายกันถ้ามีแสงสว่างเข้าไปความมืดและวิบากกรรมเหล่านั้นก็อาจจะสลายได้ทันทีเหมือนกันถ้าเราทําถูกต้อง แต่สลายมากสลายน้อยขึ้นอยู่กับแสงสว่างของปัจจุบันที่เราทำทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่สามารถสร้างแสงสว่างขึ้นมาได้ซึ่งเป็นสิ่งตรงข้ามกับความมืดเนี่ยเราจะหาวิธีกระจัดความมืดด้วยวิธีการใดก็ตามเราไม่สามารถจะทำได้เพราะเราจะต้องหาสิ่งตรงกันข้าไปแก้ไขจิตของเราก็เหมือนกันเรารู้ว่าความไม่รู้คือความมืดเนี่ย มันสังสมมายาวนานเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเข้าไปแก้ไขมันก็คือสร้างความรู้ขึ้นมาความรู้คือแสงสว่างนะความไม่รู้ที่ว่าเป็นเหตุให้เกิดความมืดเขาเลยรียกว่ า, าวิชาตอนนี้นสิ่งที่จะได้ไปแก้ไขมันก็เรียกว่าวิชาคือความรู้เริ่มต้นจากรู้จากส่วนหยาวเข้าไปเหมือนไฟนะแต่ว่าทังนี้และทางนั้นขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเนี่ยได้สังสม ความรู้มามากหรือน้อยเหมือนกับคนที่เข้าไปในถ้ำเนี่ยคนที่มีความรู้เรื่องไฟฟ้ามากเขาอาจจะเข้าไปในถ้ำแล้วก็เปิดเปิดไฟที่แสงสว่างเป็นอ่าเป็นร้อยๆหรือเป็นหลายร้อยแหล่งเทียนแสงสว่างที่มืดจัดๆมันก็จะสลายทันทีแต่ถ้าหากว่าผู้เข้าไปในถ้ำนั้นมีความรู้เกี่ยวเรื่องไฟน้อยไม่มีวิธีการทเทคโนโลยีอะไร ก็จะใช้ความมือ ใ, ใช้แสงสว่างธรรมดาอาจจะเป็นเทียนอาจจะเป็นไฟฉายจะเป็นคบเพลิงซึ่งก็ไม่สามารถที่จะสลายความมืไดได้ชัดเจนหรือทันทีก็ยังดียังได้เห็นว่าจะเข้าไปอย่างไรพอจะกำหนดทิศ ท, ทางได้ตอนนั้นเองแต่แตละคนก็เหมือนกันมีความเป็นไปเป็นมาในการสั่งสมความรู้เี่ต่างกันแล้วแต่บรรพบุตรของเรา แล้วในเองเราก็ไม่ท้อในการที่จ ะ, ะไปทำลายวิชาคือความมืดในใจของเราว่าไม่ต้องอาศัยเวลาเป็นกับเป็นกันนานเท่ากับที่มันสั่งสมมาแต่อาศัยเทคนิคหรือวิธีการที่จะสร้างความรู้ให้ใ ห, ให้เข้มแข็งให้ชัดเจนขึ้นมาให้ได้หรือเปลือดเสมือนอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตของเราเนี่ยที่มันมีความมืดหรือมีความ ไม่รู้มากท่านบอกว่ามันเกิดจากอวิชาตันหาอุปาทานและอวิชาดันหาอุปาทานนี้ถ้าเปรียบเสมือนสีนะสีที่ถ้าหากว่าวิชาดันหาอุปาทานเข้มขน้นก็เหมือนสีที่เข้มขน้นถ้าหากอวิชาดันหาอุปาทานเจือจางก็เหมือนสีเจือจางถ้าสีเข้มขน้นเป็นสีเคมีนี่ก็ทําลายยากล้างยากด้วยน้ํำล้างยาก แต่ถ้าเป็นสีน้ำสีธรรมดาเอาน้ำไปล้างก็ออกก็ง่ายชั้นใดก็ดีคนที่ไม่มีอวิชาหางสาบันเข้มข้นก็อาจจะแก้ไขได้ง่ายๆนะออกได้ง่ายๆแต่คนที่มีอวิช า, าทางสาบันเข้มข้นอาจจะเหมือนสีที่มีสารเคมีเคลือบสูงนั้นการที่จะขูดจะเกาจะแต่งออกก็ต้องใช้เวลาแต่ยกเว้นนะยกเว้นแต่เจ้าของนั้นมี ญาณปัญญาสูงก็สามารถที่จะไปแก้ไขได้ทันทีเหมือนกันเหมือนสีบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำใช้ขูดใช้เกาออกแต่ใช้สารเคมีอีกตัวหนึ่งซึ่งมันมีคุณสมบัติต ร, ตรงกันข้ามเข้าไปเจือจางจากสีเข้มค้นก็เป็นสีอ่อนสีละลายไปเลยอันนี้ก็มีทฤษฎีทางด้านวัตถุมันก็ยังมีทางด้านนมามธรรมก็ใช้ทฤษฎีเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าเรา มีความรู้ความเข้าใจเรื่องจิตของเราได้แค่ไหนพรานนั้นเองมาเองก็เลยไม่ไม่ท้อในการที่จะทำเรื่องนี้นเนมื่อเราเข้าใจลักษณะของรูปธรรมนามธรรมว่าเราสามารถแก้ไขได้หรือบุคคลตัวยอย่างเช่นองคุริมานท่านท่านมืดมาก่อนเนี่ยสามารถที่จะทำปานาติบาได้โดยสนิจใจเนี่ย ต่อเมื่อท่านได้แสงสว่างจากผู้ทิเจ้าท่านก็สามารถทําลายความมืดลงได้ทันทีเหมือนกันจากโจรก็ไม่เป็นพระรหันต์อย่างนี้นันเราจะเห็นว่าคุณสมบัติของจิตเนี่ยมันมันเป็นมิติของมันซึ่งมันจะแก้ไขไปในตัวมิติที่มันมืดแล้วก็หามิติสว่างเข้าไปแก้มิติที่มันเย็นก็หามิติที่ร้อนเข้าไปแก้ นิติที่มันทุกอาหารมิติที่ไม่ทุกเนี่ยเข้าไปแก้มันแก้ไขได้นะแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจหลักการอันนี้แล้วเนี่ยแทนที่เราจะไปท้อถอยหรือว่าไปคิดว่าเรามีบาปมีกรรมมีอกุศลมาเยอะแล้วท้อถอยไม่ยอมทําหรือก็ทําความดาีขั้นต้นๆไปเพื่อไปแก้ไขว่าเราจะต้องเกิดเกิดอีก หลายภพหลายชาติเพราะว่าความชั่วเราเยอะอย่างเงี้ยคือไม่จําเป็นจะต้องคิดแบบนั้นถ้าเราคิดว่าเมื่อมันมีความไม่ดีเยอะเราก็สร้างความไม่ดีเิดเหมือนความมืดแล้วก็สร้างความสว่างขึ้นมาให้มากเท่านั้นเองอิตีตที่ว่ามันไม่ดีมันก็สามารถที่จะดีขึ้นมาได้โดยทันทีเหมือนกันขึ้นอยู่กับ ว, ว่าสิ่งตรวกันข้ามไหนะเข้มข้นแค่ไหนนะตอนนั้นเองกิจกรรมการภาวนาที่ถูกต้องนั้นคือการสั่งสม แสงสว่างให้แกจิตใจแต่ถ้าหากว่าเราทําไม่ถูกไม่เข้าใจก็อาจจะเป็นการเพิ่มความมืดเข้าไปอีกก็ได้ซึ่งเป็นมืดที่ซับซ้อนนั้นเองเราจะเห็นว่ า, าศาสนาหรือลทัทธิาศาสนาที่ตั้งขึ้นมาโดยที่ไม่เข้าใจในหลักการอันนี้ก็จะมีปัญหาและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเช่นที่เราเห็นปัญหาเกิดจากาศาสนามีการแบ่งกลุ่มแบ่งก้อนแบ่งพวกกันมีการสร้าง แคมสร้างค่ายต่างค่ายต่างและที่นีกายกันแล้วก็เป็นศัตรูกันลบลาข้าวฟันกันเป็นเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์แม้ปัจจุบันเองก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอันนี้ได้ก็ให้เกิดทิฏฐิเรียกว่าสร้างความมืดซ้อนความมืดเข้าไปซึ่งยากแก่การสลายก็เพราะว่าเราศาสนานั้นไม่ให้หลักการที่ถูกเกี่ยวกับรูปทำนามธรรมนั่นเองแต่สาหรับพุทธศาสนาแล้ว เราก็โชคดีที่ได้มาพบการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าไม่ได้พบกับตัวของพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่ว่าได้พบหลักการตัดสู้ของท่านท่านก็บอกว่าเมื่อพระองค์ท่านปฏิบัติผ่านหรือล่วงลับไปแล้วความรู้และสิ่งที่ตัดสู้นั้นจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ท่านเมื่อเราเข้าไปศึกษาไปปฏิบัติตามตามหลักการที่ท่าน รู้มาเราก็สามารถที่จะรู้อย่างท่านเห็นอย่างท่านเข้าใจอย่างท่านได้โดยไม่ยากโดยที่อาศัยความการกระทาที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะคือเริ่มต้นจากการเห็นที่ถูกต้องซึ่งเป็นหลักสำคัญหลักสมาธิทีความเห็นที่ถูกต้องหรือความคิดที่ถูกต้องเป็นหลักเบื้องต้นของการที่จะเข้าไปทำแสงสว่างเพราะว่าความคิดเห็น ความคิดความเห็นที่ถูกต้องเนี่เป็นองค์ของปัญญาเบื้องต้นที่สุดของพุทธศาสนาต้องเริ่มต้นที่ปัญญาตรงนี้เองที่มันมันยากสําหรับชุมชนที่ไม่ได้สั่งสมทางด้านปัญญามาก่อนเมื่อเราเอาข้อมูลที่เข้ามาศึกษาไม่มีพื้นฐานลองรับก็ดูเหมือนกลายเป็นเรื่องยากแต่ว่าบุคคลคนใดหรือชุมชนใดที่มีการฝึกฝนพื้นฐานทางด้านปัญญามาก่อน ก็จะสอดคล้องกับพุทธศาสนาได้ทันทีแม้แม้ว่าปัญญาที่สั่งสมมันจะเป็นปัญญามิจฉาทิฐิก็าตามแต่สามารถที่เราจะเปลี่ยนให้เป็นปัญญาสมาถทิฐิได้ถ้าเรามีการฝึกฝนมีการอบรมมีการทําความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเสมอนะแล้ น, นั้นเองในวิธีการของพุทเทียนก็เช่นกันเบื้องแรกเบื้องต้นที่สุดน่ะท่านพยายามทําความเข้าใจทําความเข้าใจบ่อยๆกับสิ่งที่เกิด นะเริ่มต้นจากความรูนะ้ความรู้มีสองแบบนะความรู้ที่อาศัยรนะูปเกิดนะกับความรู้ที่อาศัยนามเกิดนะอาศัยรูปเกิดคืออาศัยรูปเสียง ก, ฤฤนะยอองกลิ่นรสสัมผัสเป็นที่เกิดแต่อาศัยความรู้ที่นามเป็นที่เกิดคืออาศัยอารมณ์เป็นที่เกิดเราเรียกว่าปรมาทนะอาศัยรูปเกิดเนระียกว่าสมมุติ เพราะนั้นในหลักชีวิตของเราก็มีสองหลักคือหลักสมมุติคือในสิ่งที่เกิดจากรูปทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าสมมุติแม้แต่อารมณ์ที่มันเป็นรูปอยู่คือเรียกว่านามรูปก็ยังเป็นสมมติอยู่ในสมมุติภายนอกกับสมมติภายในสมมุติภายนอกก็คืออาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดสมมุติภายในก็อาศัยอารมณ์ปเป็นที่เกิดนะแต่นั่นเองในจุดนี้จึงอยากจะให้สังเกตง่ายๆว่า สมมติว่าความปวดนะความไม่สบายเนี่ยถามว่าเป็นสมมติหรือเป็นปรมัตถนะ์ถ้าจิตของเราเข้าไปเป็นอาการปวดจิตของเราเข้าไปเป็นอาการไม่สบายจิตนั่นก็เป็นสมมติเพราะมันมีรูปอยู่รูปของการเราปวดเราไม่สบายอันนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทันทีเพราะมันมี ความไม่สบายถึงสองชั้นชั้นหนึ่งความไม่สบายทางกายชั้นหนึ่งก็คือตัวยึดเข้าไปว่าเราไม่สบายแต่ถ้าเรามีการฝึกฝนตัวรู้อย่างถูกต้องแยกตัวรู้ออกว่าตัวรู้สึกตัวกับระหว่างผู้รู้กับผู้ถูกรู้ผู้รู้คือใครนี่เราเราสร้างจังหวะเราเดินจงกรมเนยเพื่อจะแยกตัวผู้รู้ออกมาให้ชัดเจนนะ แต่ตัวที่ถูกรู้มันมีอยู่แล้วรูปเสียงขีเรสัมผัสอารมณ์เนี่ยเป็นผู้ที่ต้องถูกรู้เพราะฉะนั้นผู้รู้ตัวนี้ต้องชัดเจนถ้าเราเข้าไปเป็นอ่าเข้าไปเป็นเมื่อไหร่เข้าไปเป็นสิ่งที่ถูกรู้เมื่อไหร่เราก็เข้าเป็นเป็นตัวสมมติและสมมุติตัวนั้นก็เป็นที่ตั้งของอัตาตัวตนอัตาตัวตนก็เกิดและอาตาตัวตนเข้าไปเป็นผู้รู้แทนที่เราจะเอาตัว ยานปัญญาเข้าไปเป็นผู้รู้เราเอาอัตตาตัวตนก็เป็นผู้รู้เราก็จะเป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดทันทีนะไม่ว่าเพราะในในรูปคือท่าสีเนี่ยมันจะมันจะมีอาการทุกข์อยู่ของมันอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นกฎของรูปที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตา รูปทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้กฎอันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงต้องทนอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับไปเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงทนอยู่ไม่ได้แตกดับไปอันนี้เป็นกฎของรูปทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าเป็นรูปธรรมนรือนามไม่ว่ารูปนามว่ารูปหรือรูปนามก็ตามนามวารูปหมายถึงความคิดและอารมณ์รูปนามก็หมายถึงธาตุสี่ขันห้านะมันก็อยู่ภายใต้กฎอันนี้ดังนั้นเราก็ จะต้องสังเกตนะสังเกตว่าระหว่างผู้รู้กับผู้ผู้ถูกรู้ระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นเรามาสร้างจังหวะเดินจงกรกมคือมาสร้างตัวผู้รู้ที่เราใช้กับพุทธผู้โธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรามาสร้างไม่ใช่สร้างเรามาทําตัวผู้รู้เนี่ยให้แยกออกมาให้ชัดจากอารมณ์ จากกายแยกกว้ให้ชัดจนกระทั่งผู้รู้เนี่ยเด่นชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วจิตของเราที่เมื่อก่อนเราจิตของเราเนี่ยจะไปอยู่กับสมุดหรือเข้าไปอยู่กับรูปคือหมายความว่าเราจะต้องไปเกี่ยวเกี่ยวเกาะกับรูปอยู่เสมอเกี่ยวเกาะกับรูปอาจิตของเราไปเกี่ยวกักบเสียงเอาจิตของเราไปเกี่ยวกับรสกับสัมผัสกับอารมณ์ที่เป็นที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้าง อารมณ์ไหนที so really ่พอใจล้วก็คิดอารมณ์เรื่องนั้นอารมณ์ไหนเป็นที่ไม่พอใจล้วก็คิดอารมณ์เรื่องนั้นนี่เรียกว่าจิตของเราตกไปอยู่ภาวะของรูปภพเป็นคำใหม่ขึ้นมาคือรูปภพคือหมายความว่าจิตเข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งที่มันเป็นรูปทีนี้บางอย่างเราเกี่ยวข้องด้วยความอยากเกี่ยวข้องความอยากอยากจะเห็นรูปดีๆจะเห็นได้ยินเสียงเพราะๆอยากจะได้รถอร่อยๆอยากจะได้ สัมผัสดีๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมพบนะแต่ถ้าเราคิดเรื่องนั้นโดยที่ไม่ไม่เกี่ยวด้วยความอยากนะคิดลักษณะที้ด้วยความไม่อยากอย่างเงี้ยตรงกันข้ามก็เป็นรูปพบนะหรือบางครั้งเราอยากจะออกทางกรรมพบจากรูปพบคือหมายความอยากก็ดีความ อาไม่อยากความรักก็ดีความชังก็ดีก็ทําให้จิตของรเรา ว, วุ่นวายเราอยากจะออกทั้งสองอย่างเนี่ยเราก็มานั่งตั้งทําจิตให้เป็นสมาธิทางจิตให้สงบแล้วก็ไปติดในความสงบอยากจะให้จิตอยู่ความสงบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไปติดอีกรูปหนึ่งก็เรียกว่าอารูปพบแม้แต่ความสงบสมาธิความสุขนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะก็เรียกว่ารูปที่ไม่มีรูปเรียกว่ า, ารูปพบเพราะฉะนั้นจิตของเราก็จะวนอยู่ในพบทั้งสามเนี่ยเรียกว่าพบน้อยพบใหญ่พบน้อยก็หมายถึงการมพบ รูปภ พ, พใหญ่ก็คืออรูปภพนี่แหละยังยังทุกข์อยู่เพราะเมื่อใดถ้าหากว่าจิตที่มันเคยสงบเคยสุขมันมันหมดสมาธิมันก็กลับมาอยู่กามอ ย, อ ย, อ ย, อยู่รูปภพเหมือนเดิมอยู่นั่นเองกลับมาอยู่ความพอใจไม่พอใจความพอใจไม่พอใจเรียกว่ารูปภพกามภพกับรูปภพแต่ถ้าเป็นความที่สงบบางครั้งสงบจากความพอใจไม่พอใจจิตนิ่งได้แต่นิ่งแบบไม่รู้นิ่งแบบบูรหะเรียกว่าอารูปภพ จิตของเราก็จะวนอยู่อย่างนี้ซึ่งอันนั้นเป็นต้นต่อของอัตตาตัวตนทีนี้มันมีอีกภพหนึ่งที่พรุทธเจ้าท่เลียวิภพนะวิภพซึ่งไม่ไม่อาศัยไม่อาศัยการพบรูปพบอารูปพบท่านเรียกวิภพวิภ พ, พนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นอนัตตาคือพยายามที่จะแยกตัวผู้รู้ออกมาถ้าหากว่า จิตของเราเนะี่ยไปเกี่ยวข้องกับความพอใจคือกามาพบไปเกี่ยวข้องกับความไม่พอใจเป็นรูปพบไปเกี่ยวข้องกับความสงบแบบขาดปัญญาเรื อ, อ่ารูปพบแล้วแยกตัวจิตนี้ออกมาให้รู้อาการทั้งสามนี่เสียเมื่ความพอใจเกิดขึ้นก็รู้ความไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้จิตสงบหรือไม่สงบก็รู้ตัวผู้รู้ตัวเนี้ยแยกตัวออกมาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ปฏิเสธ ความพอใจก็ไม่ปฏิเสธไม่พอใจก็ไม่ปฏิเสธหรือความสงบก็ไม่ปฏิเสธแต่ทําตัวเป็นผู้รู้อาการทั้งสามไม่เข้าไปเป็นอาการทั้งสามนี้เรียกว่าจิตนั้นเป็นวิภพหรือเป็นอนัตตาน่ะคือรู้กฎของอนัตตาแล้วไม่เป็นไปตามกฎนั้นนั้นอาการที่เข้าไปรู้กฎของอนัตตาชัดเจนโดยที่ไม่เป็นไปตามอัตตาหรืออนัตตานั้นเราเรียกว่าปัญญาญานนะ <c oughs> เรียกว่าปัญญายาน เพราะฉะนั้นเองเป้าหมายของเราก็คือสร้างตัวปัญญายาณเรียกว่าแสงสว่างที่เริ่มมาเบื้องต้นคือตัวที่จะเข้าไปทําลายความมืดคือต้องสร้างปัญญายาณขึ้นมาให้ได้เราอาจจะเรียกว่าวิปัสนาญาณก็ได้เราเรียกอาจจะเรียกว่ายานปัญญาก็ได้จะเรียกว่าธรรมจักษุก็ได้เรียกหลายชื่อแต่ที่เราเรียกภาษาของเราง่ายๆคือผู้รู้นะพุทธคือผู้รู้เราก็สร้างตัวผู้รู้นี้ขึ้นเรื่อยๆโดยการ ผู้รู้ตัวนี้จะเติบโตด้วยในการรู้ปัจจุบันแต่ถ้าหากไปรู้ในอดีตอนาคตก็ตกไปอยู่ในโลกของสมมุติก็สร้างอัตตาขึ้นมาใหม่อีกแต่พอจิตมาอยู่ปัจจุบันด้วยความรู้ปับ๊บมันก็เกิดตัวปัญญายาณเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีตัวอัตตาหรือตัวอนัตตาอยู่ในนั้นเป็นปัญญายานเราก็พ่อปูนสั่งสมความรู้ชนิดนี้ขึ้นเรื่อยๆ ทีนี้การพกคุณสั่งสมเนี่ยต้องทําด้วยความรู้ถ้าทําด้วยความไม่รู้มันก็เป็นสมาธิที่เป็นโมหะไม่ใช่สมาธิที่เป็นญาณปัญญานะถ้าเราพกคุณสั่งสมศีลด้วยความไม่รู้มันก็เป็นปาาศีลอะพัตตปรมาตคือศีลแบบอัตตาถ้าไปสั่งสมความสงบของจิตโดยไม่รู้ก็เป็นโมหะนะเป็นอวิชชาอีกรูปหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอรูปภพนะ น่นแลจะเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดถ้าหากว่าเร า, เาไม่มีปัญญาพื้นฐานเท่าที่ควรก็ค่อนข้างจะยากอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นธรรมเนียมไปนะธรรมเนียมเรื่องเข้าศึกษาอบรมวิปัสนาแต่ว่าครูบาอาจารย์หรือผู้ชี้นำเนี่ยจะมาแยกให้เห็นธาตุของตัวรู้เหล่านี้ให้ชัดเจนเนี่ยก็ยากเพราะว่าถ้าหากว่าผู้ชี้นำนั้นไม่ได้ ผ่านการเฝ้าดูการสังเกตการฝึกฝนปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็คืออย่างถูกต้องด้วยต่อเนื่องถูกต้องด้วยก็ยากที่จะเห็นแยกแยะธาตุเหล่านี้ออกชัดเจนมันก็จะทําให้เราทําไปด้วยศรัทธาแต่ว่าผลปรากฏออกมานั้นไม่แน่นอนว่ามันจะถูกหรือผิดตรงนี้คือพุทธศาสนาจึงให้ความสําคัญเรื่องปัญญาเป็นอันมากเพราะฉะนั้นก็กําหนดให้เป็น บันไดขั้นที่หนึ่งขึ้นมาเลยก็คือสมาถิธิสมสัสกะปะซึ่งเป็นองค์ของปัญญาทั้นะนั้นเราจะทำอย่างไรที่จะทำองค์ของสมาถิธิให้บริบูรณ์เราก็ต้องมาศึกษานะอะไรคือองค์ของสมถิธิความรู้ที่จัดว่าเป็นสมธิธิมีสองระดับนะหนึ่งสมาถิธิเบื้องต้นคือยอมรับสมมุติ ยอมรับสมมุติใช้สมมุติเป็นเช่นว่าเราศาสนาสอนเราว่ามันมีนรกนะมีสวรรค์นะมีนิพพานมีวิญญาณมีตายมีเกิดอันนี้เราก็เชื่อตามนั้นบุญคุณของผู้มีคุณมีนะมีพ่อมีแม่นะแล้วก็มีกฎระเบียบมีกฎหมายแล้วต้องยอมรับต้องปฏิบัติตามนะอันนี้คือสมาติที่เป็นสมมติเบื้องต้น ให้ให้เราปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมทางระเบียบทางกฎหมายอันนี้โดยที่ไม่เรียกว่ า, าไม่เข้าไปทำลายกฎกติกาทางทางสังคมที่สมมุติขึ้นมาเรียกว่าสมาทัททิฏฐิเบื้องตน้นแต่ใครก็ตามที่เข้าไปทำลายไปไม่เห็นด้วย แล้วก็มีความคิดเห็นผิดว่าคุณพ่อไม่มีคุณแม่ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีกฎหมายกติกาสังคมอ่าเป็นของอ่าไม่ต้องปฏิบัติตามอย่างนี้ก็เป็นมิชชัทิฏฐิแล้วเพราะฉะนั้นสมาธิที่เบื้องต้นคือปฏิบัติตามกฎกติกาของสมมุติสังคมมีอยู่เนี่ยได้อย่างถูกต้องให้เข้าใจก่อนทีนี้มีสมาธิฐิอีกระดับหนึ่งสมาธิฐิระดับปรมาติ ในพุทธศาสนามุ่งตัวสมาธิธิฐตัวนี้แต่สมาธิธิฐในระดับต้นเนี่ยระดับสังคมเนี่ยระดับสมมุติเนี่ยทุกศาสนาสอนกันหมดมันเป็นขนุธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของโลกเราจะศึกษาไม่ศึกษาทางสังคมทางศางสนาอื่นทางบ้านเมืองทางกฎหมายกติการรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาสอนกันอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีมิจฉาทิฐิ เราก็จะอยู่ในสังคมนั้นเป็นทุกข์อยู่ในโลกนั้นเป็นทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าเรามีสมาธิถิแล้วก็อยู่ในสังคมในโลกนั้นอย่างสบายแต่ว่าสบายแต่จิตใจก็ยังไม่สงบอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาศึกษาและปฏิบัติสมมติสมาธิธิระดับหนึ่งนะฮะให้สมาธิธิระดับปรมัติ์ท่านให้รู้แค่4ี่อย่างเอง 1. รู้จักทุกข์ตามความเป็นจริง 2. รู้จักเหตุเกิดทุกข์หรือสมุทัย ของปัญหาทั้งหลายทั้งปวง 3. รู้จักวิธีดับรู้จักว่าการดับมันมีอยู่การแก้มันมีอยู่การหายสนิทปไปจากสิ่งของเหตุทุกข์นี้มีอยู่สให้รู้จักมัคคือวิธีการวิธีการที่จะทําให้ทุกข์ก็ดีเหตุเกิดทุกข์ก็ดีมันมันหายไปเนี่ยทำอย่างไร นี่เราจึงเรียกกฎสากลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กฎอันนี้เรียกว่าอาริยสัจ ส, สีการเห็นอริยสัจตามความเป็นจริงนี้ถ้าเรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นปรมัดนะแต่สัมมาทิฏฐิในระดับสมมุตินั้นพระพุทธเจ้าไม่จําเป็นต้องตรัสรู้ทุกคนก็รู้เพราะมันกลายเป็นวัฒนธรรมแต่สัมมาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือสัมมาทิฏฐิคืออริยสัจ ส, สีนี่เองการเห็นอริยสี่แล้ว เอาไปใช้ได้ถูกนั่นก็เป็นส ม, มาธิฏฐิระดับปรมัติตตัวนี้เป็นแสงสว่างเบื้องตน้นที่จะนำไปสู่สอ่องทางด้านจิตวิญญาณของเราดังนั้นเองเบื้องต้นเนี่ยในพุทธศาสนาจึงพูดกันบ่อยมากเรื่องทุกข์นะีว่าจนกระทั่งศาสนาอื่นมองว่าพุทธศาสนาเนี่ยมองโลกในแง่แง่ลบคือมองในแง่ของความเป็นจริงว่าในชีวิตจริงๆมันไม่ว่า คนในชาติศาสนาใดก็ตามสัตว์ตัวตนใดก็ตามอยู่ภายใต้ของกฎของอนิจจังทุกขังนัตตาทั้งนั้นคือทุกข์นะขบวนการของทุกขนะ์เนี่ยคือกฎของอนิจจังทุกขังนัตตาทีนี้มันมีเหตุทุกขนะ์เนี่ยมันมีเหตนะุเหตุไปทางเหตุทุกข์ทางกายคืออะไรเหตุทุกข์ทางจิตคืออะไรเหตุของทุกข์ทางกายก็คือกรรมจิตอุตุอาหารคือเกิดจากการกระทํา ทุกทางกายเกิดจากการกระทำทุกทางกายเกิดจากการคิดทุกทางกายเกิดจากการดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมทุกทางกายเกิดจากการบริโภคอาหารทั้ง4อย่างนี้เป็นเหตุของทุกทางกายแต่เหตุของทุกทางจิตคืออะไรเหตุของทุกทางจิตก็คือความโศกเศร้าความพัดพราคความประทับกับสิ่งที่ไม่ต้องการการไม่ได้ตามปรารถนา การยึดถือเอาขันห้าเป็นตัวตนตอนนี้เป็นทุกขางจิตนะครับทุกขางจิตก็คือตัวอวิชชาสรุปแล้วคือตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมอันนี้เป็นเหตุของทุกขางจิตแต่นั้นในเหตุทางทุกขางกายสีคือกรรมจิตอุตตุอาหารแล้วก็แก้ไขด้วยปัญญาธรรมดาก็ได้เโลโกิยาปัญญาแต่เหตุของทุกขางจิต คืออวิชชาตันหาอุปทานกรรมหรือเรียกเป็ปฏิจจสุบาทนั้นต้องอาศัยปัญญาที่เป็นโลกุตรปัญญาเท่านั้นตรงนี้ต้องต้องฟังตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะถ้าไม่เข้าใจฟังตรงนี้จะสับสนนิดหน่อยเหตุของทุกทางจิตเกิดจากอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมเหตุของทุกทางกายเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารนะต่างก็มีเหตุ แต่ในเหตุของทุกข์ทางกายเนี่ยท่านบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องมีปัญญาก็แก้ไขได้เพราะว่าธรรมเนียมของโลกเขาสอนกันมาอย่างนั้นคือเขาเรียกว่าบําบัดแก้ไขไม่ได้หมด บ, บําบัดไปเรื่อยๆเพราะมันเกิดจากโลกจากกรรมสาเหตุได้มาจากกรรมเรามีวิบากกรรมเราถึงได้มาเกิดถ้าเราไม่มีวิบากกรรมเราก็ไม่ได้มาเกิดแบบนี้เมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็เสวยวิบากกรรมก็คือจะต้องได้รับทุกข์ทางกายเป็นส่วนต้น เราจะต้องบำบัดแก้ไขนะมีการเวทนาต่างๆที่บีบคั้นเราตลอดเวลาเรามีอะไรแล้วก็เป็นทุกข์เพราะ อ, อ น, นั้นนะอันนี้เราแก้ไขบำบัดปัญหาท่เกิดจนตายแม้แต่สัตว์มันก็เป็นทุกข์ตัวนี้ทีนี้สําหรับมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณมีสติปัญญาระดับสูงขึ้นไปเนี่ยก็รู้จากวิธีแก้ปัญหาทุกที่เกิดขึ้นทางนามหรือทุกทางจิตคือแก้ไขเรื่องอวิชชาเป็น แก้ไขเรื่องตัณหาเป็นแก้ไขเรื่องอุบาทานเป็นแก้ไขเรื่องกรรมเป็นนะดังนั้นเราจึงมาสร้างตัวรู้ขึ้นมาก่อนถ้าเราไม่แยกตัวผู้รู้ออกจากที่สิ่งที่ถูกรู้ถ้าแยกไม่ได้โอกาสที่เราจะไปแก้วิชาตัณหาวุบาทานกรรมทางจิตนั้นยากมากนะดังนั้นเองจึงอยากจะให้ศึกษาจุดนี้ให้ชัดเจนว่าเราจะแก้อวิชาได้อย่างไรแก้อวิชาก็คือทําตัวอวิชาให้เป็นวิชาเสีย ทำความที่เราเคยชินนั้นให้เป็นความรู้สึกตัวเสียอันแก้โดยวิธีนั้นถ้าเรายังไม่สามารถแก้ความเคยชินแบบไม่รู้สึกตัวให้เป็นความรู้สึกตัวได้เราก็าแก้อวิชชาไม่ได้แต่นั้นตลอดเวลาเราจะมีการกาหนดการเคลื่อนไหวตามลำดับให้ชัดเจนอยู่เสมอเพื่อที่จะแก้เงื่อนต้นของความทุกข์นี่ก่อนเงื่อนต้นของทุกข์คือตัวไม่รู้สึกตัวคือตัวเผลอ ตัวความเคยชินตัวนี้เป็นเป็นเงื่อนไขหลักเลยเพราะฉะนั้นในสำนักกรรมฐานใดก็ตามถ้าไม่สอนให้คนรู้สึกกายตามความเป็นจรงิงรู้สึกใจตามความเป็นจรงิงสำนักกรรมฐานนั้นก็สอนไม่ถูกเพราะจะต้องมารู้สึกเริ่มต้นตัวนี้เท่านั้นที่จะแก้ไขทุกได้แต่ความรู้อันเกิดจากความคิดเกิดจากการอชินตามยะปัญญาหรือโสตะสุตะมยะปัญญาไม่สามารถจะแก้ทุกตัวนี้ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นเพียงความคิด มันเป็นเพียงความนึกคิดเป็นจําเป็นตัวที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวผู้รู้ที่แท้จริงนะนั่นก็คือแม้เราจะเรียนจบทฤษฎีทางศาสนาจบพันธะไรบดกจบมหาปริญญจบรักเตอร์ทางศาสน า, ม า, น า, า, สนามาก็ไม่สามารถจะสร้างความรู้ที่จะเอาไปจัดการกับวิชานี้ได้มันเป็นการสั่งสมสั่งเสริมอวิชาอีกแบบหนึ่ง นะทีนี้พอเรามาใช้หลักทฤษฎีของพุทธเจ้าโดยการสร้างความรู้สึกกายขึ้นมาแล้วก็สร้างความรู้สึกใจขึ้นมาตื่นกายขึ้นมาตื่นใจขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันตัวนี้ตัววิชากับวิชาก็จะอยู่ร่วมกันไม่ได้เหมือนกับตัวมืดกับตัวแสงสว่างอยู่ร่วมกันไม่ได้นะตัวแสงสว่างเสมือนตัวความรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยเป็นแสงสว่าง ที่เกิดด้วยยานปัญญาแล้วตัวมืดคือตัวไม่รู้สึกหรือตัวคิดเมื่อพอไม่รู้เท่าทันตัวคิดตัวปรุงแต่งตัวรู้สึกพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นตัวนั้นก็เป็นความมืดของจิตวิญญาณพอเรากระตุ้นกายกระตุ้นใจให้รู้สึกตัวปัจจุบันปั๊บตัวคิดตัววิตกกังวลตัวความพอใจไม่พอใจมันดับสลายไปนั้นก็แสงสว่างมันก็เกิดขึ้นนะอันนี้คือเรื่องของอวิชชา ทีนี้นเมื่อเราไม่รู้เท่าทันไม่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกการรู้สึกใจในปัจจุบันเกิดขึ้นมันก็จะมีการปรุงแต่งในสิ่งที่เป็นรูปเข้ามาปรุงแต่งด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ได้ในสิ่งนั้นก็เป็นสมุทัยนะสมุทัยตัวนี้เขาเรียกว่าตัณหาคือความอยาก ตัวที่สองเป็นสมุทัยเหตุเกิ ด, กดทุกทางจิตเพราะเราไม่รู้ไม่เท่าทันจิตจิตจึงสร้างความอยากขึ้นมาตามเวทนานถ้าสุขเวทนาก็สร้างความอยากที่เป็นกามตันหาทุกเวทนาก็สร้างความอยากที่เป็นภาวตฐานหาอทุคขมสุขเวทนาก็สร้างความอยากที่เป็นวิภวะตันหาแต่นั้นตันหาทั้งสามก็เกิดจากเวทนาทางกายและเวทนาทางจิตนั่นเองทีนี้พอเขาเข้าไปรู้ว่าไอ้ความอยาก ถ้าหากว่าเราสติปัญญาหรือญาณปัญญายังรู้ไม่เท่าทันความอยากที่เกิดขึ้นอีกความอยากนี้ถูกตอกย้ําซ้ําคิดตอกย้ําซ้ําคิดบ่อยเข้าบ่อยเข้าตัวตันหาความอยากนี้กลายเป็นอุปาทานคือความยึดติดในสิ่งที่ความอยากในยึดติดในสิ่งที่อยากแล้วพยายามที่จะสร้างความอยากเนี่ยให้สําเร็จเป็นาตามที่เราต้องการได้เขาเรียกอุปาทาน อุปทานเพราะย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่เราอยากขึ้นมาให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้เหมือนกับเร า, าเกิดความอยากอย่างในเรื่องสารเเชตยานบังคับเราอยากจะส น, นองความต้องการความอยากคือความทุกข์บีบบังคับเราเราก็ไม่รู้เท่าทันธรรมชาติอันนี้เราก็ไปเกิดความรักความหลงซึ่งกันและกันเมื่อความรักความหลงนี่มันย้ำคิดย้ำรักย้ำคิดย้ำรักย้ำคิดบ่อยๆเข้าบ่อเข้ามันก็บังคับมีแรงบังคับ kita, เราไปหากัน บ่าวไปหาสาวสาวไปหาบ่าวมันก็เกิดอุปาทานยึดมัน่นถือมั่นซึ่งกั น, กนและกันแล้วก็เกิดกรรมคือการกระทําระหว่างรูปกับนามทั้งสองฝ่ายก็เกิดทุกข์ขึ้นมาโสกะปฏิเทวะต้องรับผิดชอบต่อไปตลอดชีวิตเราเพียงแต่สนองความอยากของเราเพียงไม่กี่นาทีแต่เราจะต้องรับผิดชอบวิบากกรรมนั้นไปครึ่งค่อนชีวิตนี่เขาเรียกว่ากรรมอวิชชาตันหาอุปทานกรรมสร้างต่อเนื่องกันอย่างนี้ ทีนี้ยิ่งไม่มีการสดับตับฟังยิ่งไม่มีการศึกษายิ่งไม่มีการภาวนากรรมตัวนี้ก็จะซ้อนเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นจากการตอบสนองต่อสัญชาตญาณทางฝ่ายารูปต่อไปก็สนองสัญชาตญาณในฝ่ายเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปเรื่อยๆความซับซ้อนของความอยากก็มีมากขึ้นเรื่อยๆความซับซ้อนของการยึดมั่นถือมั่นก็มีมากขึ้นเรื่อยๆจากรูปก็เป็นรูปหลายรูปขึ้นมานะ รูปของอคนรูปของบ้านรูปของช่องรูปของอทรัพย์สมบัติรูปสารพัดรูป ซ, ซับซ้อนซับซ้อนซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนี่คือความซับซ้อนของอวิชชาตันหาวประธานเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็บังคับเราทําตามบังคับเราพูดตามบังคับเราคิดตามในเรื่องที่มันอยากเขาเรียกว่ากรรมกลายเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขึ้นมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้มันจึงเหมือนกับการอธิบายความมืดว่าความมืดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ความมืดมันไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยสร้างขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นมันเมื่อมันเป็นโดยโดยธรรมชาติของมันเมื่อเราต้องการความมืดเกิดขึ้นตรงนี้ก็ไม่ยากแล้วก็ดับแสงสว่างเท่านั้นความมืดก็ปรากฏโดยที่ไม่ต้องสร้างอวิชชาจันหาวรกรรมนี่เหมือนกันมันเป็นความไม่รู้เท่าทันอย่างเดียวนั่นแหละเป็นต้นตอของความมืดแล้วสิ่งละเอียดของความมืดความหนาแน่นของความมืดก็จะเกิดขึ้นว่าความความมืดในหนาแน่นขนาดไหน ก็ขึ้นอยู่กับชั้นของสิ่งที่ปิดบังถ้าสิ่งที่ปิดบังมากๆความมืดก็หนาแน่นมากแต่สิ่งที่ปิดบังน้อยความมืดก็หนาแน่นน้อยจิตของเราถ้ามันถูกบดบังด้วยอารมณ์มากจิตของเราก็จะมืดได้มากติดได้มากยึดได้มากถ้าจิตของเราถูกบดบังด้วยอารมณ์น้อยจิตของเราก็มีความมืดน้อยมีแสงสว่างเข้าไปบ้าง เห็นไหมอันนี้มันมันมีเหตุมีผลมีที่ไปที่มาเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของการทฤษฎีที่ใครคิดขึ้นมาได้แต่มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นเองที่ว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์คือพิสูจน์ได้อย่างนีนะ้ว่าเราจะสร้างความมืดได้อย่างไรแล้วก็สร้างได้ทันทีเราจะสลายความมืดได้อย่างไรเราก็สล า, ายได้ทันทีในแง่ของของรูปธรรมนะแต่ในแง่ของนามธรรมมันไะม่ใช่ง่ายอย่างนั้น เราจะต้องมาลำดับเหตุผลขั้นตอนที่เป็นไปโดยอาศัยภาพทางรูปประทับเข้าไปเปรียบถ้าเราไม่มีรู้เรื่องของรูปธระทับเลยเราก็ไปจัดการเรื่องนามธรรมาไม่ได้เพราะว่านามธรรมาเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ต้องอาศัยตัวรูปประทัเป็นตัวหลักในการศึกษาในการเปรียบเทียบดังนั้นเองในเรื่องของการเจริญสติ จึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยจึงไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ลึกซึ้งมากแต่ทำไมคนจึงเห็นความสำคัญยังเห็นความสำคัญน้อยอยู่ก็เพราะว่าสิ่งแวดล้อมและสมมุติที่หนาแ น, น่นทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถจะเขาไม่สามารถที่จะแหวกไหวให้ให้เข้าไปสู่สภาวะที่ ช่วยเหลือตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นนึกว่าคนใดก็ตามที่มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องนี้ว่าเป็นคนที่มีโอกาสและมีบุญมีกุศลได้ศึกษาเท่านั้นคนไหนที่บุญกุศลไม่ถึงก็ศึกษาเรื่องนี้ไม่ได้อันนี้มันก็เือมีกฎกติกาของของอะไรของวัตตะกฎกติกาของอกรรมอยู่ในตัวของมันเองซึ่งเป็นความซับซ้อนตรงนั้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราจะไปคิดถึงเรื่องนั้นมันก็จะเป็นอุปสรรคทาให้เราเกิดความท้อถอยได้ แต่ถ้าเราอาศัยศรัทธาเข้ามาทําก่อนก็แล้วกันมาทําก่อนแเราจะมีรายละเอียดยังไงก็ค่อยศึกษากัรมวิทยาลิทธิ์ซึ่งมันก็จะเป็นไปได้ดังนั้นเองปัจจุบันเนี่ยยิ่งคนยิ่งขาดศรัทธายิ่งคนขาดบุญกุศลเนี่ยก็ยิ่งยากเข้าไปอีกที่จะมาศึกษาเรื่องนี้และคนที่เข้ามาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีพื้นฐานทางด้านปัญญาที่เข้าใจได้หรือไม่ก็ต้องอาศัยอาศัยการกระทําดังนั้นในเรื่องนี้ามาถึงบอกว่าโอ้ เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามและจะต้องพินิษพิจารณาทุกทุกขณะจิตในการกระทําจึงไม่ใช่เรื่องที่เอ ก, กะเลิกเฮฮาดังนั้นปัจจุบันนี้การที่จะไปจัดอบรมที่ไหนนี่เอามาถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อเอามาก็ไม่อยากไปทําเพราะมันเสียเวลาแล้วก็มันเหนื่อยเปล่าก็ต้องดูสิ่งแวดล้อมมันเอื้ออย่างน้อยที่นั่นมีความสงบสงัดระดับหนึ่งและการปรับสิ่งแวดล้อมนีบ่บางครั้งเอามาก็เหนื่อยมาก จะต้องปรับตรงนั้นปรับตรงนี้ตรงนั้นดังตรงนี้สงบตรงนี้ไม่สงบอย่างที่เราเห็นดังนั้นสังคมปัจจุบันถึงเป็นสังคมที่ไม่เอื้อในการจะศึกษาพุทธธรรมขั้นละเอียดประนีตเราจึงไปอาศัยที่วิเวกที่สงัดตามป่าตามเขาตามถ้าตามที่วเวกศึกษาเราถึงจะเข้าสู่รายละเอียดเรื่องนี้ได้เหมือนการการที่เราจะดูเงาหน้าในาน้ําของเราจะให้ชัดเจนเนี่ยแต่หากว่าในาน้ํานั้นมันยังขุ่นก็เห็นเงาหน้าไม่ได้ น้ำยังกระเพิ่มก็เห็นเงาห น, น้ามาได้น้ำนั้นมีสัตว์ทั้งหลายอยู่ข้างใต้กระเพิ่มก็เป็นไปได้ยากนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายได้เห็นปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาพุทธธรรมที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ผู้ที่จะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังต้องการเข้าใจเรื่องนี้จริงๆนั้นต้องใช้ความอดทน ใด้ความที่ว่าเลืกอกติดตามไม่หยุดล้วนั่นเถอะว่ามันไปถึงไหนติดตามไปเรื่อยๆติดตามอะไรติดตามดูกายดูใจของตัวเองว่ามันไปถึงไหนนะแล้วก็ถ้าเราติดตามด้วยอย่างไม่แยบแยบคายไม่ละเอียดมันก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรมันก็ซ้ํำซากอยู่อย่างเกา่าแต่ถ้าเรามีสติปัญญาได้เห็นความแยบคลายละเอียดแล้วจะเห็นความละเอียดลึกซึ้งของมันไปเรื่อย เหมือนเราขุดบ่อยิ่งขุดก็ยิ่งลึกยิ่งขุดก็ยิ่งลึกขึ้นนะดังนั้นเองเราจึงไม่แปลกใจว่าทําไมชาวพุทธในในประเทศไทยของเราจึงไม่ไปไหนเพราะขาดศรัทธาขาดความแยบคายและขาดความเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องพุทธศาสนาจึงใหญ่ที่จเน้นปัิเจกคือความเป็นเฉพาะตัวเท่านั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันชุมชนก็ต้องอยู่ได้ด้วยการอาศัยความเข้าใจระดับใดระดับหนึ่งเข้าใจพุทธศาสนาในระดับสมมุติ ก็พอจะอยู่ได้สมมติระดับสมา ธ, ธิแต่ใครที่จะพัฒนาจากสมาธิธเบื้องต้นเป็นสมาธิธเบื้องบนได้นั้นก็เป็นเรื่องของปัจเจกเฉพาะตัวผู้ที่มีภูมิปัญญาผู้ที่มีบุญกุศลได้สังสมมาผู้ที่มีความฝักใฝ่ในเรื่องนี้คนนั้นก็จะขึ้นไปสู่พุทธศาสนาระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนั้นก็สามารถทำลายความมืดได้มากขึ้นมากขึ้นจนหายความสงสัย เกี่ยวกับเรื่องชีวิตจิตใจแล้วจิตของคนนั้นก็จะเป็นอิสระเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นคือสุดยอดของความเป็นมนุษย์คือจิตอิสระจากอวิชชาอิสระจากตัณหาอิสระจากอุปาทานอิสระจากกรรมจนกระทั่งหมดวิบากรรม นั้นก็หมายความว่าเราได้ทำลายภพชาติทางกรมมาพบรูปมาพบอรมูปพบได้ภายในชีวิตนี้เราไม่ต้องไปเวียนว่ายใจเกิดอีกอันนั้นคือสุดยอดของวิวัฒนาการของความเป็นมนุษย์เนี่ยจึงอยากจะให้อญญาจาย์โยมทั้งหลายเนี่ยได้เห็นความสําคัญของการภาวนาถ้าหากว่ามีคนสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยอย่าว่าแต่หลายคนแม้แต่คนเดียวเอามาก็จะใช้เวลากับคนนั้นได้ แต่ถ้าเรามีคนเป็นร้อยเป็นพันเท่าว่าไม่ตั้งใจเรื่องนี้อย่างจริงจังเราก็เสียเวลาเปล่าที่จะไปเสียเวลาตรงนั้นนะดังนั้นเองก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายมีความตั้งใจแล้วก็มีการาเข้าใจในเรื่องนั้นอันไหนที่ไม่เข้าใจไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งต้องถามต้องศึกษาต้องอสนทนาต้องทาความเข้าใจกันบ่อยๆ อ, อย่าทาไปด้วยความ ว่ามันดีอย่าทําำมาด้วยความว่ายัางคิดเราคิดว่ามันถูกบางทีมันไม่ถูกตามความคิดของเราหรือบางทีมันไมด่ดีตามความคิดของเรามันยังมีข้อสงสัยอะไรและต้องซักไซไล่เลี่ยมแต่ถ้าเมื่อเราเข้าใจจับประเด็นได้อาจจะประเด็นได้ว่ามีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกใจเนี่ยชัดเจนไหมถ้าเรามีความรู้สึกตัวรู้สึกใจชัดเจนแล้วเราก็ไม่ต้องสงสัยทํามันไปเรื่อยๆ แต่ทีนี้เราก็ยังมีเบื้องหลังมีความคิดอะไรมากมายซ่อนอยู่เบื้องหลังมันก็จะอดคิดไม่ได้มันก็ต้องไปต่อสู้กับความคิดให้ถือว่าความคิดทุกความคิดที่ปรุงขึ้นมาเป็นความมืดเป็นเงาเหมือนกับเราตั้งวัตถุอันหนึ่งหลังแสงไฟเราก็จะเห็นว่าถ้าวัตถุนั้นหนาแน่นมากเงาก็จะมืดมากถ้าวัตถุนั้นหนาแน่นน้อยเงาก็จ ะ, ะมืดน้อย เพราะฉะนั้นจิตของเราเหมือนกันถ้าความคิดไหนที่มันมีความเข้มข้นด้วยตันหาวัฏฐานมากจิตเราก็จะมืดมากมีเงาบังจิตเราได้มากแต่ความคิดไหนที่มีการส่วนผสมของอวิชชาตันหาวัฏฐานน้อยความคิดนั้นก็บางเบาอาจจะไม่ถือว่าเป็นกิเลสได้สัําไปเรียกว่าธรรมารมณ์แต่มันก็เกิดโดยธรรมชาติเพราะความคิดจะมีสามลักษณะหนึ่งความคิดที่ไม่เจตนามันปรากฏขึ้น 2. ความคิดที่เจตนาที่จะคิด 3. ความคิดที่เราหยุดมันได้เรากำหนดมันไดน้ความคิดที่ไม่เจตนาคิดที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ผ่านไปเราเรียกว่าธรรมารมความคิดที่เราคิดขึ้นมาปรุงแต่งไปเขาเรียกว่าเป็นสังขารสังขารระจิตและความคิดที่เรากำหนดได้ว่าให้ดับได้ให้เกิดได้ให้ใช้ได้ให้หยุดได้นันเขาเรียกว่าสติปัญญา เราจัดการความคิดนี่ได้ตามต้องการเราเรียกว่าสติปัญญาถ้าเราจัดการกับความคิดไม่ได้ตามต้องการเราเรียกว่าสังขาราจิตนะแต่ความคิดและอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปโดยที่ไม่ไปเกาะเกี่ยวเขาเรียกว่าธรรมารมเพราะฉะนั้นเราจะแยกความคิดให้เห็นประเภทให้ชัดเจนว่าตอนนี้เราอยู่ในประเภทไหนเราอยู่ในสังขาราจิตรืออยู่ในธรมมารมหรืออยู่ในสติปัญญา สิ่งที่เราต้องการคือให้เกิดสติปัญญาช่วงไหนมีความจําเป็นก็เหมือนไฟถ้าไม่จําเป็นปั๊บเราสามารถปิดได้ถ้ามีความจําเป็นเราเปิดได้แสงสว่างไฟนั้นก็เป็นคุณกับเรานะความคิดก็เหมือนกันความคิดที่เป็นคุณก็มีความคิดที่เป็นโทษก็มีความคิดที่ไหนเราจัดการได้อยู่ในคอนโทรลอยู่ในอํานาจของเราก็เรียกว่าสติปัญญาบางครั้งจิตของเราคอนโทรลไม่ได้คิดไปเรื่อยเปื่อยเขาก็เรียกว่าเป็นสังขารจิตเป็นอํานาจของวิชาฐานหานบทานเป็นความมืดเห็นไหม เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจหลักตรงนี้ให้ชัดเจนไว้ก่อนแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มันมีความหวังที่จะมีความสุขสงบได้โดยไม่ยากเราสามารถจะอยู่ในแสงสว่างแห่งความรู้แห่งปัญญาญาณได้โดยไม่ยากแต่ที่พูดให้เห็นนี่เพื่อให้เห็นความเป็นไปเป็นมาของมันเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำตามนั้นให้เห็นประวัติของความเป็นมามันเป็นอย่างเงี้ยรากรูดมาเป็นมาแบบเนี้ยแล้วเราจะแก้ไขตรงไหนนะเราต้องจับจุดมันให้ได้ จับ จ, จ, จุดมันไม่ได้เมื่อจับจุดมันไม่ได้บางทีมันทําอะไรกับมันไม่ได้เลยเหมือนรถเนี่ยทั้งคันเนี่ยความเป็นไปของรถทั้งคันที่มันจะทำงานได้ก็อยู่ที่กุญแจลูกเดียวเท่านั้นเองถ้าได้กุญแจลูกนี้ปับ๊บเปิดรถติดปั๊บเนี่ยเรากา็สามารถจะทํางานอะไรได้กับรถนั้นแต่เมื่อใดกุญแจมันหายเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จัดการกับรถคันนั้นมันก็เป็นวัตถุชิ้นหนึ่งที่ที่ทิ้งอยู่ตรงนั้น นะฉั้นใดก็ดีแต่บางทีเรามีกุญแจรถแล้วถ้าเราขับรถไม่เป็นนะเราไม่ฝึกฝนด้านทักษะเรื่องขับรถอะ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะขับขึ้นรถคันนั้นฉั้นใดก็ดีถึงแม้ว่าเราจะมีการรู้เรื่องของพุทธธรรมรู้เรื่องของความรู้ของพุทธเจ้ามากมายแต่ถ้าเราไม่มีความการฝึกฝนไม่มีการศึกษาไม่มีความชำนิชำนาญในการใช้งานในความรู้ชนิดนั้นเนี่ยความรู้ชนิดนั้นก็เปล่าประโยชน์เหมือนก็เรียนจบ ความรู้ทฤษฎีทางพุทธศาสนามากมายแต่ว่าความรู้เหล่านั้นไม่ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการที่จะทําลายอวิชชาด่านหาวัฏฐานกรรมได้เลยก็เรียกว่าไม่มีประสบ ก, การณ์ในเรื่องนั้นดังนั้นจึงอยากจะให้เข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นมีความละเอียดซับซ้อนเราจะอยู่อย่างเพ้อเรออยู่อย่างประมาทหรืออยู่อย่างสนุกสนานนั้นไม่ได้เราจะต้องอยู่อย่างผู้รู้สึกตัวอยู่เสมอ แต่ว่าก็เราไม่สามารถที่จะบังคับคนอื่นให้อย่างที่เราคิดได้เพราะเรื่องนี้ดังได้กล่าวแล้วว่าถ้าละเอียดประณีตขึ้นไปเป็นเรื่องปัจเจกคือเรื่องเฉพาะตนไม่ใช่เรื่องของชุมชนหรือกลุ่มชนหรือสังคมและนะัพุทธศาสนานั้นไม่ไม่เสื่อมแล้วก็ไม่เจริญจะว่าเสื่อมก็ไม่ใช่จะว่าเจริญก็ไม่ใช่เพราะพุทธศาสนาที่แท้ จ, จริงนั้นไม่เสื่อมไม่เจริญเพราะมันเป็นกฎของธรรมชาติ เราจะบอกว่าดินน้ําโรงไฟเนี่ยมันเสื่อมก็ไม่ใช่ดินน้ําโรงไฟเนี่มันเจริญกันไหมมันมีของมันอยู่อย่างนั้นแต่เรพบชาติกับกันแต่ว่ายุคใดสมัยใดเรามาประยุกต์ใช้ประโยชน์กับดินน้ําโรงไฟเราก็เรียกว่าทำโลกนี้ให้เจริญยุคใดสมัยใดเราไม่มีจัดการควบคุมดินน้ําโรงไฟไม่ได้ตามต้องการเราก็เรียกว่าเออยุคนี้มันเสื่อมโลกไม่พัฒนาลํทาทองนั้นเป็นสมมุติพูดกันพุทธศาสนาก็เหมือนกันนะเป็นธรรมชาติอย่างนั้น มันไม่เสื่อมไม่เจริญตัวพุทธศาสนาที่แท้แต่พุทธศาสนาที่เป็นเปลือกเป็นกระพีนั้นมันก็จ ะ, จะเจริญจะเสื่อมตามยุคสมัยในองค์มาในรูปของสังคมรูปของวัฒนธรรมรูปของอวัตถุและส ม, มตุติมันก็เสื่อมเจริญตามตามยุคตามสมัยแต่สาระของพุทธศาสนาแท้นั้นไม่มีความเสื่อมไม่มีความเจริญขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้าไปใช้ในระดับไหนในระดับสมมตุติหรือในระดับประมัต นะถ้าใ น, นระดับประมั์เราก็สามารถที่จะได้รับผลจากพุทธศาสนาคือปลดเปลื้องจิตวิญญาณของเรานันให้เป็นอิสระจากความทุกข์ได้นั่นเองนะเพราะนั้นในช่วงเช้าวันนี้นะัะมาได้อาศัยเวลานี้ทําความเข้าใจเพื่อที่จะให้โยมเอาไปปฏิบัติในระหว่างวัดด้วยความระมัดระวังให้เห็นว่าสิ่งนี้มันมีความละเอียดอ่อนเพราะนั้นจะทาแบบเล่น หัหัวอยากทําก็ทําไม่อยากทำก็ทาไม่ได้ต้องตั้งใจต้องศึกษาต้องเรียนรู้อย่างถีถ้วนในทุกอย่างก้าวในทุกการกระทําต้องมีเจตนามีความตั้งใจที่ถูกต้องถ้าเจตนาและความตั้งใจไม่ถูกต้องการกระทำํำของเราก็ขอให้เกิดทุกเกิดโทษได้เหมือนกันเช่นเราไม่เข้าใจแล้วก็ทําบังคับจิตให้เกิดความตึงความเครียดเราไม่เข้าใจไปบังคับกายให้เกิดความทุกขอย่างนี้ก็ไม่ได้ ให้ดูทุกสิ่งอย่างเข้าใจคือผ่อนคลายเข้าใจผ่อนคลายเข้าใจผ่อนคลายจากภายในคือผ่อนคลายจากความคิดและการยึดในความคิดภายนอกก็ผ่อนคลายจากเวทนาไม่ว่าทุกวเวทนาระดับไหนก็ให้ผ่อนคลายแต่ให้เป็นผู้ศึกษาเป็นผู้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นผู้ผู้รู้ไม่ใช่ผู้เข้าไปกระทําหรือผู้ถูกกระทํา แต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้รู้เห็นเหมือนกับเรายืนบนฝั่งน้ําแล้วก็ยืนอยู่น้ํามันกําลังไหลว่ากําลังไหลแล้วก็ในน้ําไม่มีอะไรก็ดูมันไหลไปแต่ถ้าเมื่อใดเราแยกบทบาทตรงนี้ไม่ชัดเราก็อาจจะกระโดดลงไปเล่นน้ําซึ่งจมน้ําตายแต่เราแยกแยกบทบาทตรงนี้ชัดว่าเออน้ําก็มีอันตรายในตัวของมั น, น่อยในขณะเดียวน้ําก็มีคุณในตัวของมันอยู่กับว่าเราใช้เป็นหรือไม่เป็นเรายืนดูชีวิตนี้อย่าง คนยืนอยู่บนฝั่งมองดูกระแสน้ำไหลแต่ถ้าเราจะดูชีวิตนี้ในลักษณะที่เข้าไปเล่นเข้าไปเป็นเหมือนกับคนที่เล่นในน้ำ mm hmm. ก็โอกาสที่จะจมน้ำเปียกน้ำและเกิดโรคจากน้ำก็มีมากมายดังนั้นเองถ้าเราแยกบทบาทระหว่างผู้รู้กับผู้ถูกรู้ได้อย่างนี้การปฏิบัติของเราก็จะมีความ มีความถูกต้องชัดเจนนะแล้นั่นเองในชีวิตในระหว่างวันปัญหาง่ายๆหยาบๆอย่าให้มันมีเช่นว่าปัญหาในการพูดคุยกันไม่รู้เวลาเวลาปัญหาในการคุกคีกันปัญหาในการจัดการเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการภาวนานี่ก็อย่าให้มันมีหรือจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องเช่นการอาบน้รราซักผ้าการบริโภคการพักผ่อนก็ทาอย่างมีสติ อ, อย่างยังมีสติเข้าไปรู้สึกตัวอยู่เสมอเพราะว่าเรามีเวลาน้อยแล้วก็ชีวิตเราก็เป็นของน้อยลิ่งมีเวลาน้อยชีวิตเป็นของน้อยเรายิ่งประมาทเราก็ยิ่งไม่ได้อะไรเลยแต่เรารู้ว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยเวลาในการคานี้มันน้อยก็ทําอย่างเข้าใจทําอย่างผ่อนคลายเพราะเป้าหมายของเรานั้นคือความสุขความสงบเพราะนั้นเราก็ทําด้วยความสุขความสงบอันไหนที่มันนําไปสู่ความยุ่งยากสับสนวุ่นวายก็อย่าไปทํามัน แต่ไหน น, นาไปสูคส่ความสุขความสงบต้องพยายามอย่างเต็มที่ต้องสํารวจตัวเองอยู่เสมอว่ขาขณะนี้เราสุขหรือยังเราสงบหรือยังอะไรเดีทําให้เราไม่สุขไม่สงบใขนขณะนี้ก็ต้องพยายามถ้าเป็นเงื่อนไขาภายนอกเราไปปรับเขาไม่ได้เช่นว่าเรานั่งปฏิบัติอยู่ตรงนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็นั่งคุยกันเนี่ยเราจะเข้าไปปรับทันทีว่าขอร้องให้เขาหยุดพูดอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดปัญหา แล้ก็ต้องมาแก้ด้วยกันเราไม่รับสิ่งนั้นเข้ามาในใจหรือถ้าายังไม่เข้มแข็งพอเราก็ต้องเดินเลี่ยงสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์เหล่านั้นออกไปนี่คือมีวิธีการแก้ไขแต่ถ้าเราแก้ไขไม่เป็นแล้วก็นั่งสู้อยู่กับอารมณ์เหล่านั้นทั้งที่เราไม่มีกําลังที่จะสู้อันนั้นเราแก้ไขตัวเองไม่ถูกเราจะไปโทษคนที่นั่งคุยแค่ข้างๆไม่ได้แต่ย่อเราเนี่ยจะปรับตัวเองเป็นไหมนี่คือวิธีแก้ เรารู้ว่ากําลังของเราสู้ได้ก็นั่งฟังไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเองรู้เองว่าตัวเองสู้สภาพสันนิจไม่ได้เราก็หลีกเลี่ยงไปเลือกสิ่งแวดล้อมใหม่ได้นี่คือการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัตินะนั้นเองญาติโยมทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนประณีตมาเองหลังจากรู้เรื่องนี้แล้วจึงอยู่ไม่ได้ในการที่จะสแสวงหาคนจริงสแสวงหาผู้รู้ต้องการรู้เรื่องนี้จริงๆนะถ้าสแสวงหาพบร้อยคนจะรู้สักคนสองคนก็ถือว่า คุ้มนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องรู้ถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้เรื่องนี้เลยเนี่ mm hmm. ก็ถือว่ า, าเราเราขาดทุนศูนย์เปล่าที่เราเกิดมาในโลกนี้ขาดทุนศูนย์เปล่าจริงๆดังนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุวยความตั้งใจที่จะเรียนรู้เรื่องนี้อย่างเข้าใจ อ, าอย่างเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเราก็จะเป็น แสงสว่างอีกดวงหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาในสังคมของเราที่จะช่วยกันส่องสว่างให้แก่คนที่เขาแสวงหาทางทั้งหลายเป็นประทินที่ส่องทางให้กับคนที่จะต้องการแต่เบื้องต้นนี้เราจะต้องส่องทางให้กับตัวเองให้ปลอดภัยซะก่อนแล้วก็ใช้ประสบการณ์อันนี้แบ่งปันให้คนอื่นอันนี้เป็นหลักของพุทธศาสนาดัง น, นั้นก็ขออนุทนาสาธุในความตั้งใจที่ศึกษาเรียนรู้สิ่งนี้อย่างเข้าใจอย่างถูกต้อง แล้วก็พยายามสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการกระทําเพื่อนำไปสู่มรรคผลนิพพานโดยการทุกคนทุกท่านถืด